ทำไมเราสอนให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันน่าจะเข้าใจแต่ทำไมไม่เข้าใจก็สอนให้ละเอียดอีกแต่พระก็รายงานว่าเขาก็ไปภาวนาของเขาเขาก็เร่งภาวนาของเขาครับทานาจารย์สารีบุตรพระสารีบุตรก็สอนให้อีกให้ถีท่วนเขาไปอีกจนหมดไส้บทพุงของตัวเองนะ่ะ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 อย่างพวกเราพวกหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกั น, นคณาจัรยาญาติโยมลูกหลานปีต่อไปอาจจะมาแสดงธรรมไม่ได้ก็ได้เพราะว่าปีนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกอยู่กับตัวเองทั้งหมดรู้เลยว่าเป็นอะไรเพียงอายุ71ปีนะคณาจารย์ญาติโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อปีนี้71 แ, แต่ขณะนี้หลวงพ่อก็จานึกรู้ตัวเลยแล้วว่าคืออะไร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 ท่านก็วางมือบ้างเออท่านวางมือให้า้ๆว่าท่านไม่ได้พิถีพิถันเข้มงวดขวดคันคนที่พุกพ่านผ่านไปมาให้เห็นธรรมชาติขึ้นมาคือธรรมชาติของคนกับอย่างพวกเราเห็นเอย่างหูหนวกตาบอดขาเป๊ะขาขาดเป็นบ้าออยู่ข้างถนนเผมยาวๆลักษณะอย่างนั้นมันมีเต็มไปหมดอยู่ในอยู่ในโลก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 จะใช้ยาอะไรจะทํำยังไงจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำไม่ให้แก่เ อ, อ่จากนั้นก็คิดไม่ออกเหมือนกันเ อ, อจากนั้นก็ไปเอกวันต่อต่อสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันไปไปเห็นคนเจ็บติ้นชักติ่นชักงออยู่ในเปรที่เขาหามผ่านหน้าไปอันนั้นคือใครเขาเขาทำเป็นเขาเป็นอะไรอันนั้นเขาเจ็บใครได้ป่วยพระเจ้าค่ะเ อ, อนายสารธีที่บอกกล่าวในฉนะันนา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 ไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิแล้วก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งหลับตาเน่งอันนั้นคือใครสันนะ น, นั่นคือส ม, มณะแปลว่าผู้สงบเออออกจากบ้านเรือนออกมาหาอยู่ตามลำพังคุ้นคิดเออในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วว่าส ม, มณะผู้สงบเพียงเท่านั้นแหละ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 คือพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นแล้วท่านจะเกิดความอยากหนีออกจากเวียงหวังอาจากนั้นพอเข้ามาไปเที่ยวสวนอุทยานกลับมาก็ทราบข่าวว่าพิมพ์พาอคคมเหสีพิมพายโสธราอาประสูตน พ, พ, พระพราหุอาจากนั้นก็เขาก็ไปแจ้งข่าวว่าโอ้พระองค์ได้พระโอรสพระโอรสแล้วหน้าตา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 คําถามขึ้นมาเนี่แหละเครื่องผูกพันเกิดเกิดกับเราแล้วเครื่องผูกพันเกิดกับเกิดกับเราแล้วก็ว่าลหูนะละหูนะคือพระราหุลเนี่ย ค, คือเครื่องผูกพันะความหมายเอเราต้องหนีจากเวียงวังในในคืนนี้เพราะท่านคิดมาจนพอแรงแล้วนะว่าจะเอาอย่างไงเอให้คําว่าท่านไม่ใช่คนหนีออกจากเวียงวังเอไปแล้วกัหน้าเกียดหน้าชังไม่ใช่ท่านเดินใคล้ายๆกับ จดหนีไปยังไงจะไปค้นคว้าศึกษาหาสมบัติได้ยังไง เ, ออเมื่อได้สมบัติมาแล้วเราก็จะต้องมาแบ่งปันให้กับวงสาคนายาตญาติมิตรสหายหรียว่าผู้ที่รักเคารพที่เราได้สมบัติมาท่านไปหัสอบแสวงหาทรัพย์สมบัตออิไม่ใช่ว่าท่านจะไปหนีเอาตัวรอดอย่างที่คนบางคนที่คนพาละชนคิดกันนะออบางคนพาละชนก็ว่าลกคศีรตะตั ด, ตด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 ต้นโพแก่แมันจะมีรากฝอยแ ย, ย่ย้เยี่ไปหมด อ, อยู่ในแผ่นดินคล้ายว่า ม, ม, มันมันลอยขึ้นม า, าในโสททิยาก็จิทธรนั่งอยู่ตามลำพังคงไม่สบายอยู่ในารากโพเน่เขาควรจะเอายากาคาไปมอบให้แก่ท่านเาานีเขานี่ยคนคล้ายๆบอกคนเห็นกันเกิดศรัทธานะ เอ่เกิดจตหาเห็นจิตตะนั่งอยู่ตามลําปางเอาย่าคาไปถวายท่าน8กํามือเอ่ข้างละสี่กำมือนีเป็นหากมาฮะเอ่จากนั้นจิตตถาท่านในยาคาไปทนก็มองหาทิศทางท่านก็มองเห็นทางทิศตะวันออกนะตัวของต้นโพพอมองที่เห็นทางทิศตะวันออกเป็นที่เหมาะท่านก็เอาย่าคาเอ่ยสี่กำมือเอ่เกลี่ยลงไปและก็อีสี่กามือประสานกัน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 คือสมาธิเกิดสมาธิจักก่อนนี่เกิดเกิดฌานเกิดผสมมาฌานตุติชชจชฌานตัตาาิจชฌานจตุทัฌานถ้าหากว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมสงบไม่มีไม่มีมมจะเป็นเกิดจะเกิดฌานได้ยังไงอันนั้นแหละเคยฌานเ<ไ>ป็นผลได้า จ, จาก<ห>สมาธิในเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิอยู่เน่งแล้วในเมื่อจิตของเราเน่งแล้ว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 ถ้าคิดชัว่วเลยว่าอกุศลกรรมถ้าทำดีแล้วว่ากุศลกรรมถ้าทำชัว่วอะกุศลกรรมถ้าพูดดีแล้วว่ากุศลกรรมถ้าพูดชั่วแล้วอะกุศลกรรมทั้งคิดก็ดีทำก็ดีพูดก็ดีมีสองอย่างถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกุศลคิดชัว่วทำชัว่วพูดชัว่วเป็นอกุศลในเมื่ออกุศลให้ผล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 มีแต่เรื่องเรื่องเลวร้ายทั้งหลายมีแต่เรื่องราวต่างๆามีแต่ใช้ใช้คที่ไม่ดีนี่แหละพระพุธองค์บอกว่าคำชั่วคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วอย่าทาซะเลยดีกว่าในเมื่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือพระพุทธองค์ได้ตรัส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 และก็อยู่ในความในสถานที่สงบอยู่เปรี้ยวในสถานที่หลีกเล้นอยู่ตามลาพังนี่แหละในเมื่อเรากำหนดอย่างที่องค์หลวงตาพ่าดำเนินหลวงตาปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจากนั้นใจเพราะใจของหลวงตาเข้าสู่ความสงบเน่งเน่งคตัถทวท่านนั่งตอนหัวค่ำเพอนั่งตอนหัวค่ำพ อ, อนั่งไม่ลุกเลยไม่ออกจากที่เลย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 มังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจคือพิจารณาอาการ32จะพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ได้ร่างกายของเรามีธาตุสีคื อ, คอดินคือกระดูกของแข็งในร่างกายคือดินน้ำคือคือเลือดปัสวะเออนี่แหละอันนี้นะ้ำลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องอของเรานในลม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 ى, ท่านหลวงปู่ท่านก็เลยดุให้หลวงตามหาบัวท่านว่านเนี่ยสมาธิท่านติดอยู่ในสมาธิเนี่ยเหมือนกับรถที่อยู่ยในไปนไงเก้าเก้าอี้หักใช่ไหมหรือเป็นลมว่ะได้ยิน ได้เย็นแต่หลวงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าของพวกเรานะเออหลวงตามหาบัวท่านนามาพูดให้พวกลูกศิษย์ฟังคาว่าอุปคตอุปคตคานี้เนะี่ยคืออะไรเนะี่ยเออคือลูกศิษย์ของหลวงหลวงตามหาบัวเนะี่ยมีหลวงปู่เออหลวงปู่ซิ่งทองหลวงปู่ล่าหลวงปู่บุญมีตรงเดี๋นี้เป็นหลวงปู่มันนะ้ง่ะแต่สมัยก่อนเนะ่ยเป็นคูบาเหมือนกนแต่ใน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 ไอ้พวกที่ลืมตาก็มองไม่เห็นว่าเป็นหรือเสียงอะไรอย่างนั้นเพราะเพราะมันเสียงดังเริ่มตับวับปอ บ, ป บ, ปบตเองก็ปุ๊บคุณมานั่งนิ่งแต่หลวงปู่ฟันท่านเห็นแล้วเป็นองค์ไหนท่านบอวกว่าพอออกจากสมาธิทำไมอะชัดช่ายาดยมเห็นไม้เมื่อกี้เนี่อท่านเอ่อ ท่านปราบมาร ม, มันก็หายง่วงจริงๆใช่ไหมปราบเออเห็นไหมเนี่ยท่านปราบมารเออปราบปราบความง่วงของท่านเนี่ยเห็นไหมหยุดหายง่วงเลยหลวงปู่ฟันว่านะเออตอนี้ตอนนี้ก็เลยตั้งเชื่อว่าปราบมารคืออะไรคือพระอุปคฤษไม่ปราบพญามารใช่ไหม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 ผู้ใหญ่หลับตาหมดแล้วเน่ยแต่เด็กมันมองอยู่เลยทีนี้หลวงปู่สุพัทน์ตอนเช้ากับไปบิธบาตตามหลังหลวงปู่ฟั่นหลายๆองค์นะวะไอเด็กน้อยมันก็เขาก็ถามเป็นองค์ไหนว่อที่ปราบมารเมื่อคืนเพราะมันมองไปเห็นปุบปบปุปลกมากนั่งเฉยันหูเด็กน้อยคนนั้นก็บอกแม่แม่แพ่องค์นี้ละปราบมารเมื่อคื น, น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 เอาละว่านรกคณะสถาญาติโยมนาที่นี่นะ <c oughs> การเทศนาการกล่าวสมโภชนิยกถากระจบเพียงทนีกอด น, นะนะ